คราวที่แล้วเราก็ได้ฟังกันมาถึงตอนที่พระเรวตะขณะนั่งพิจารณาธรรมบนภูเขาอยู่นั้นท่านก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งป่ายปีนขึ้นมาบนภูเขาอย่างรีบเร่งพอเธอขึ้นมาถึงแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายอย่างหนักหลังจากสนทนากับพระเรวตตะแล้วก็ทราบภายหลังว่านางจะมาหาทางฆ่าตัวตายสาเหตุเพราะผิดหวังในความรัก พระเรวตะก็ได้เทศโปรดจนเธอผู้นั้นเปลี่ยนใจไม่คิดฆ่าตัวเองนะคะขณะพระเรวตะเป็นสมภารอยู่เวลุวันนั้นได้มีภิกษุชื่อวราหะเป็นลูกเศรษฐีเข้ามาบวชซึ่งมีมานะถือตัวจัดว่ายากสอนยากหลังจากได้สนทนากับพระเรวตตะแล้วพระวราหะก็คลายความเย่อหยิ่งลงได้ เราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันต่อไปค่ะท่านผู้มีอายุคนส่วนมากไม่ได้ศึกษาดูตนเองอย่างละเอียดด้วยจิตใจอันเป็นธรรมไม่ได้เปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นอย่างยุติธรรม จึงมักจะเข้าใจว่าตนดีกว่าคนอื่นถูกต้องเหมาะสมกว่าคนอื่นความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้จะมีอยู่แทบทุกคนบางคนก็แสดงออกมาโดยการคุยโม้โ อ, อ้วดบางคนก็แสดงออกมาด้วยท่าทางบางคนก็แสดงออกมาโดยการทำเป็นนั่งนิ่งอมภูมิบางคนก็ไม่แสดงอาการใดๆออกมาคล้ายกับว่าไม่มีความรู้สึกนึกคิดเช่นนั้นเลย แต่ความเป็นจริงแล้วเขามีความรู้สึกนึกคิดว่าตัวดีเช่นเดียวกับคนที่แสดงออกมาตรงๆเราอาจจะพิสูจน์ดูได้จากการแกล้งยอเขาว่าเขาดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้สวยอย่างนั้นงามอย่างนี้เขาจะแสดงความพอใจออกมาอย่างนอกหน้าทีเดียวเพราะเหตุไรก็เพราะคำยกย่อของเราตรงกับความรู้สึกนึกคิดของเขาเข้า เขาเข้าใจว่าเขาดีอยู่แล้วเมื่อเราไปส่งเสริมเขาจึงเกิดความพออกพอใจทั้งๆที่คํายกยอของเรานั้นบางทีก็ไม่มีมูลความจริงเลยตรงกันข้ามถ้าเราไปตำหนิเขาแม้ว่าคําตำหนิของเราจะเป็นความจริงเขาก็โกรธเพราะเขาเข้าใจว่าเขาดีเด่นอยู่แล้วเมื่อเราไปตาหนิเขาจึงขัดกับความรู้สึกนึกคิดของเขาทำให้เขาเกิดความไม่พอใจ แล้วก็ผูกโกรธเราหาทางทาลายตัดรอนผู้ตําหนิงนั้นนี่เป็นมู ล, ลเหตุที่เกิดความยุ่งยากปั่นป่วนในชุมนุมชนท่านผู้มีอายุความจริงมีอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้ใหญ่ที่คณะปามกมีอานาจบริหารหมู่คณะย่อมเป็นที่เคารพเกรงกลัวของผู้น้อยความเคารพเกรงกลัวนี้เองทำให้ผู้น้อยย่ำเกรงไม่กล้าขัดขัน ไม่กลาตักเตือนแม้เมื่อเห็นความผิดพลาดของผู้ใหญ่มีแต่ยกย่องสันเสริญถ่ายเดียวเมื่อผู้ใหญ่ได้รับคำสัรเสริญอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ก็เลยเกิดความเข้าใจว่าตนเป็นบุคคลวิเศษที่ทำอะไรพูดอะไรไม่ผิดมีแต่ถูกต้องทั้งวันจึงเป็นเหตุให้ทำอะไรพูดอะไรตามความคิดเห็นของตนผู้เดียวไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้ไม่ได้เมื่อตนได้รับคำตำหนิติดเตียนวิพากษ์วิจาร์จากผู้อื่นจึงเกิดความไม่พอใจรุนแรงกว่าคนธรรมดาเกิดความไม่พอใจใครแล้วมักจะใช้อำนาจหน้าที่ของตนกำจัดผู้นันเสียหรือหาทางทำลายตัดรอนโดยประการต่างๆทำให้ชุมนุมชนนั้ น, น, นกลายเป็นอาณาจากักรแห่งความหวาดกลัวท่านผู้มีอายุสาหรับข้าพเจ้านั้น แม้จะเป็นประธานสงฆ์บริหารหมู่คณะในเวรุวันารามข้าพเจ้าก็มันตักเตือนตนเองอยู่เสมอถือว่าตนเป็นสามัญชนคนหนึ่งที่อาจจะบกพร่องผิดพลาดได้จึงพร้อมที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นทุกเมื่อข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ศิษยานุสิ์ของข้าพเจ้าทุกคนตักเตือนข้าพเจ้าได้ในเมื่อพบข้อบกพร่องของข้าพเจ้า ถึงกระนั้นก็มีน้อยคนเหลือกเกินที่จะกล้า ก, กล่าวกับข้าพเจ้าต่อหน้าข้าพเจ้าจึงอาศัยพระสุภูตตะให้ช่วยเป็นผู้สืบสวนความคิดเห็นของหมู่คณะนำมารายงานให้ข้าพเจ้าทราบอีกต่อหนึ่งโดยวิธีการปกครองแบบนี้เองทำให้ข้าพเจ้ากลายเป็นที่เคารพรักของหมู่คณะอย่างไม่จืดจาง ผูมีอายุย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปว่าอาณาจักรมคตกับอาณาจักรโกศลเป็นศัตรูกันเคยทําสงครามขับเคี่ยวกันหลายครั้งเพื่อจิงความเป็นใหญ่เหนือมัธยมประเทศผัดกันแพ้ผัดกันชนะเรื่อยมาสงครามแต่ละครั้งทําให้คนและสัตว์พานะตายเป็นจํานวนแสนๆทาให้ทรัพย์สินพินาศย้อยยับไปเป็นจํานวนมิอาจจะขนาดได้ เมื่อเสร็จสงครามแล้วทั้งฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะต่างก็ย่อยยับไปด้วยกันตลอดเวลาตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่ที่กรุงราชฤทุ น, นี้เป็นเวลาว่างเว้นการสงครามแต่ฝ่ายเวนยังคุกคุ่นอยู่ในหัวใจของกษัตริย์ตลอดถึงแม่ทัพในกองของฝ่ายมคตราชทุกคนเพราะในสงครามครั้งสุดท้ายอาณาจักรมคตเป็นฝ่ายปราไชขุนศึกทุกคน จึงแค้นใจไม่หายและเริ่มเตรียมทําสงครามเพื่อลบลอยแค้นนั้นชายชะกันจำนวนหมื่นได้ถูกเกณฑ์เข้าค่ายฝึกช้างมาได้รับการฝึกปลือมีการสะสมสเสบียงและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆอย่างเร่งรีบจาระบุลุษผู้สืบราชการลับเพ่นพ่านอยู่ทั่วไปจาระบุลุษฝ่ายโกศลรัฐเมื่อสืบทราบว่า ทางมกรรัฐมีทหารเท่านั้นคนมีรถรบเท่านี้คันมีช้างเท่านั้นตัวมีอาวุธชนิดนั้นๆแล้วก็รายงานไปให้ขุนศึกทางฝ่ายตนทราบบรรดาคุนศึกทางฝ่ายโกศนลัฐเมื่อได้ทราบข่าวว่าทางมกุรัฐมีกําลังพลมากกว่าตนก็เกิดร้อนใจเกรงว่าจะพ่ายแพ้ในการยุทธรีบเกณฑ์ไพรพลช้างมาเพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อให้มีจํานวนมากกว่าฝ่ายมคตรัฐฝ่ายจารบุรุษของมคตรัฐเมื่อเห็นทางโกสนรัฐเพิ่มผลรบมากขึ้นก็รีบรายงานไปให้นายทังมคอตรัฐทราบบรรดาขุนศึกฝ่ายมคตเมื่อได้ทราบก็ตกใจรีบเกณฑ์ไพรพนเพิ่มเติมอีกให้มากกว่าฝ่ายโกสนรัฐการแข่งขันการเพิ่มกําลังรบดําเนินไปเช่นนี้ปีแล้วปีเล่าจนกระทั่ง ชายชกันเกือบทุกคนถูกเกณฑ์เป็นทหารช้างม้าเกือบทุกตัวมีไว้เพื่อรบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อการรบทั้งนั้นท่านผู้มีอายุเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ประชาชนโดยทั่วไปทั้งในแคว้นโกศลและมะคตต่างก็พากันเอือมระอาต่อการตระเตรียมฆ่ากันอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะภาพอันน่าสยดสยองในสงครามที่แล้วแล้วมา ยังจังอยู่ในความสงจำของเขาไม่มีใครอยากที่จะให้ภาพเช่นนั้นอุบัติซ้ำขึ้นอีกสงครามเป็นสิ่งโหดร้ายทารุลยิ่งกว่าอาชญากรรมใดๆในโลกความรู้สึกต่อต้านการเตรียมสงครามครุกกุ่นอยู่ในจิตใจของประชาชนทุกคนโดยไม่ได้รับการยุโยงส่งเสริมรู้สึกนึกคิดได้ก็แสดงออกมาเป็นคาพูดคัดค้านและการการะทา การเป็นปการต่อต้านแบบต่างๆเหตุการณ์เกือบจะเข้าไปถึงขั้นเจรจาจนอยู่แล้วในเมื่อข่าวดีได้แพร่สะพัดทั่วไปตลอดมคตรัฐว่าบัดนี้ทางโกศนรัฐได้ส่งคณะทูตสันติมาขอเจราจาร่วมกับทางฝ่ายอาณาจักรมคตเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกระหว่างรัฐทั้งสองในอนาคตทางการแห่งกรุงราชคฤ ได้ให้เกียรติอย่างสูงแก่คณะทูตสันติจากกลุ่มสาวัถีการเจราจาดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายวันที่ประชุมก็ได้พิจารณากันถึงมูลเหตุที่ทำให้เกิดสงครามและเมื่อความเห็นเป็นเอกฉันท์กำลังรบคือคนและอาวุธที่แต่ละฝ่ายสะสมไว้มากๆนั่นเองคือสิ่งเย้ายวนที่เร่งเร้าให้บรรดากุศกทั้งหลายอยากทาสงคราม ดุดชายหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย่อมอยากที่จะชกคนนั้นต่อยคนนี้ถ้าไม่มีกำลังลบหรือมีเพียงเล็กน้อยแม้อยากจะทำสงครามเลือกเกินก็ไม่อาจจะทำได้ดุดชายหนุ่มที่แขนขาขาดทั้งสองข้างก็ไม่อาจที่จะชกต่อยกันได้ฉะนั้นมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดสงครามก็คือการตกลงให้ทั้งสองฝ่ายลดกาลังรบของตนเอง หรือแต่ฝ่ายละเล็กน้อยพ่อเป็นเครื่องป้องกันตัวเท่านั้นคณะทูตทั้งสองฝ่ายตัางเห็นดีด้วยกับวิธีการนี้ต่อจากนั้นก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อการลดอาวุธขึ้ น, นคณะกรรมการนี้ได้ประชุมกันครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อพิจารณาหาทางตกลงกันในการลดอาวุธได้อย่างได้ผลแต่ก็ยากที่จะตกลงกันได้ รากกรรมการแต่ละฝ่ายไม่มีความไว้วางใจกันในฝ่ายตรงกันข้ามเกรงว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะแจ้งจำนวนกำลังรบไม่ตรงกับความจริงตามที่ตกลงกันหรือลดด้านหนึ่งพอเป็นเครื่องหลอกกรรมการผู้ควบคุมแต่ไปเพิ่มในอีกด้านหนึ่งความหวาดระแวงสงสัยไม่ไว้วางใจในการและกันนี้เองเป็นมูลเหตุให้การเจรจาลดอาวุธลม้มเหลวลง ั้งแล้วทั้งเล่าในขณะที่การเจรจาอันไร้ผลดำเนินต่อไปทั้งสองฝ่ายก็ถือโอกาสเพิ่มกำลังลบของตนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามเงาอันดำทมึนแห่งอสูรสงครามปรบคุมอยู่ทั่วไปตลอดมหาอาณาจักรทั้งสองนั้น ดูก่อนท่านผู้มีอายุในระหว่างเวลานั้นเองอุบาสกผู้สันทัดในวงการบ้านเมืองคนหนึ่งได้ไปหาข้าพเจ้าที่เวรุวนารามตามปกติเขาไปฟังธรรมในวันธรรมสวนะทุกวันชื่อของเขาคือเทวมิตะอุบาสกเราได้สนทนากันถึงเรื่องการเจรจาลดกำลังลบซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขันกันอยู่ในเวลานั้น ดูก่อนอุบาสกข้าพเจ้าเริ่มกล่าวในการสนทนาเกี่ยวกับการเจรจาลดกำลังรบที่ดำเนินไปอยู่ในบัดนี้นั้นท่านมีความเห็นอย่างไรจะมีทางตกลงกันได้หรือไม่ท่านผู้เจริญอุบาสกกล่าวอย่างใช้ความคิดกระผมมีความเห็นว่าเขาอาจจะตกลงกันได้ในหลักการแต่ไม่อาจจะปฏิบัติ ต, ตามข้อตกลงได้เพราะไม่ไว้วางใจกัน จะมีความหวาดระแวงสงสัยกันอยู่ต่างฝ่ายก็เกรงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะหลอกลวงตนในที่สุดคําพูดของทั้งสองฝ่ายเลยไม่เป็นที่เชื่อถือได้นี่เป็นต้นเหตุให้การเจรจาชักช้าและอาจนําไปสู่ความล้มเหลวได้ในที่สุดและสงครามนองเลือด ก, ก็จะต้องอุบัติขึ้นอีกท่านเหล่ามีความเห็นอย่างไรข้าพเจ้าหันไปถามสุจิตตะอุบาสกซึ่งเป็นชายชรา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 สงครามจะยังเกิดอยู่อีกหรือเขาจะเอากําลังรบที่ไหนมารบกันเทวามิตรถามเป็นเชิงขัดแยง้งสุจิตตผู้ชาราหัวเราะอย่างอารมณ์เย็นแล้วกล่าวขึ้นว่าเขาก็สร้างอาวุธขึ้นมาใหม่ละสิฮะสร้างไม่ได้เทวมิตะค้านถ้าสร้างขึ้นมาก็เป็นการขัดต่อข้อตกลงลดกําลังรบอย่างชัดๆฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะต้องขัดค้าน ก็ถ้าเขาจะสร้างแล้วมันสร้างได้ทั้งนั้นแหละลองคิดดูสิว่าอาณาจักรโกศลน่ะกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใดเขาอาจจะไปซุ่มซ่อนสร้างที่ไหนก็ได้เมื่อถึงคราวจาเป็นจะใช้จึงนาออกมาที่ละน้อยอย่างลับๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็คัดค้านเขาไม่ได้ถึงจะมีหลักฐานพอที่จะคัดค้านได้ก็ไม่รู้ว่าจะไปคัดค้านต่อใครเพราะข้อตกลงของเรา เป็นข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายเท่านั้นไม่มีคนกลางที่มีอำนาจสูงเป็นพยานหลักฐานเราเป็นผู้รักษาข้อตกลงนั้นและถ้าหากเราจะละเมิดข้อตกลงนั้นเสียเองได้ข้อตกลงที่ปราศจากคนที่สามรองรับก็เหมือนกฎหมายที่ไม่มีราชบุรุษคอยจับกลุ่มคนละเมิดไม่มีตุลาการคอยวินิจฉัยตัดสินโทษไม่มีเรือนจำสำหรับคุมขัง กฎหมายนั้นก็ขาดความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครปฏิบัติตามฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าการเจรจาลดอาวุธจะไม่บังเกิดผลดีแต่อย่างใดนอกจากจะใช้เป็นเครื่องหลอกเด็กๆให้ดีใจว่าไม่มีสงครามเท่านั้นแต่ถ้าเขาสามารถตกลงกันได้และลดอาวุธได้จริงๆละ่ะถึงลดได้ก็จะเป็นเพียงชั่วคราวในไม่ช้า เขาก็จะสร้างมันขึ้นมาทำลายล้างพลานกันอีกข้าพเจ้าเห็นว่าอาวุธทั้งหลายมีมีดดาบหอกแหลนเหลาธนูและปืนเหล่านี้เป็นเพียงอาวุธภายนอกเราจะลดหรือไม่ลดไม่สำคัญอาวุธภายในคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาลิสยาความเย่อหยิ่งถือตัวการถือชั้นวนรรณะกูลและดูถูกเหยียดหยามกัน ความเห็นแก่ตัวเหล่านี้จัดว่าเป็นอาวุธที่สำคัญและร้ายแรงที่สุดร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธมีหอกดาบเป็นของร้ายวิญญาณเราทิ้งไว้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไปทำร้ายใครเองไม่ได้ถึงจะมีกองอยู่เป็นภูเขาก็ไม่มีอันตรายแต่อย่างใดฉะนั้นเราจะลดหรือไม่ลดก็ไม่สำคัญตัวการสำคัญคือคนที่ใช้อาวุธเหล่านั้น ถ้าผู้ใช้มีใจเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเขาก็จะจับอาวุธเหล่านั้นเข้าเข็นฆ่าคนอื่นเกิดเป็นสงครามขึ้นตรงกันข้ามถ้ามีคนใจสงบระงับไม่ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงแม้อาวุธภายนอกจะมีมากมายเขาก็จะไม่จับมันมาทําร้ายคนอื่นเป็นอันขาดฉะนั้นอาวุธภายในจึงสําคัญที่สุดถ้าจะรด ควรที่จะลดอาวุธภายในดังกล่าวนั่นสิก่อนถ้าลดอาวุธภายในได้แล้วอาวุธภายนอกก็จะลดไปตามแต่ถ้าลดอาวุธภายนอกได้ก็จะเพียงชั่วคราวในไม่ช้าอาวุธภายในก็จะบังคับให้เขาสร้างอาวุธภายนอกขึ้นมาอีกแล้วก็ทำลายล้างผลาญกันอีกอาวุธภายนอกก็เปรียบเสมือนผลไม้อาวุธภายในก็เปรียบเหมือนต้นไม้ แมเราจะเก็บเอาผลไม้ไปทิ้งเสียหมดถ้าต้นไม้นั้นยังอยู่ปีหลังมันก็จะออกผลอีกเราก็ต้องคอยเก็บเอาไปทิ้งทุกปีทุกปีแต่ถ้าเราตัดถอนรากของต้นไม้มันเสียมันก็จะไม่ออกผลให้เราต้องคอยทิ้งด้วยความละบากอีกต่อไปนี่คือความเห็นของข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นธรรมะดูก่อนอุบาสกข้าพเจ้ากล่าวขึ้นหลังจากนิ่งมานาน ควเห็นของท่านน่าฟังมากอัตมาชมเชยจริงทีเดียวความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้จัดว่าเป็นอาวุธภายในที่ร้ายแรงมากความโลภคือผู้สร้างสมัยใดความโลภเข้าครองใจคนใดสมัยนั้นคนสร้างสรรค์จะสะสมกันเป็นการใหญ่ทําให้สิ่งต่างๆมีจํานวนมากขึ้นแล้วก็เรียกกันว่าโลกเจริญในสมัยใด ความโกรธเคืองขุนแค้นเข้าลรองใจคนสมัยนั้นเขาก็ยกพวกเข้าทําลายล้างผ่านชีวิตและทรัพย์สินของกันและกันอย่างโหดร้ายทารุณเมื่อทําลายราบเรียบไปแล้วก็เริ่มสร้างขึ้นหม่อีกสร้างขึ้นมากๆแล้วก็ทําลายลงไปอีกสร้างขึ้นทําลายกันอยู่เช่นนี้ตลอดกาลความโลภทําให้สร้างขึ้นความโกรธทําให้ทําลายลงความหลง ก็ทําให้ลุ่มหลงอยู่กับการสร้างและการทําลายอันไม่รู้จักสิ้นสุดนั้นดังนั้นอาวุธภายในดังกล่าวนี้จึงร้ายแรงมากเราควรที่จะลดอาวุธภายในนี้เสียก่อนถ้าลดได้อาวุธภายนอกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าลดไม่ได้สงครามมหาปเลยก็จะเกิดขึ้นต่อไปไม่รู้จักสิ้นสุด เผู้มีอายุวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากําลังนั่งอยู่บนตังหน้าร้านใต้กอไผ่ข้างๆกุฏิน้อยของข้าพเจ้านั่นเองก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาหาเขานั่งลงยกมือไหว้แล้วนะนําตัวเองว่ากระผมชื่อปุณณะมานพเป็นบุตรแห่งตระกูลพันุก์กระผมเคยฟังธรรมะในวันธรรมะสวัสเสมอ และเกิดความเลื่อมใสอยากจะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่ขัดข้องด้วยไม่ได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดาขา้าพระเจ้าพยายามวิงวอนท่านทุกวันแต่ท่านก็ยังไม่ยินยอมจึงหนีมาหาท่านเพื่อขอให้ท่านบวชให้เสียเลยเขาเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ25ปีหน้าตาสะสวยเครื่องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยกริยางามแสดงว่า มีตระกูลอันสูงเขาไเจ้าพิจรารณาดูลักษณะของเขาครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนมานพเธอมีเจตนาจะบวชจริงๆหรือหรือว่าบวชชั่วคราวกระผมตั้งใจจะบวชจริงๆครับเขาตอบด้วยเสียงอันหนักแน่นความจริงเธอก็กําลังอยู่ในวัยอันหนุ่มแน่นเป็นวัยที่กําลังเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ของโลกไม่น่าจะคิดที่จะอยากสละโลก ออกมาอยู่ในชีวิตอันเงียบเหงาของพระเธอมีความคิดเห็นอย่างไรจึงได้ตัดสินใจออกมาบวชกระผมขอเรียนตามตรงว่ากระผมเกิดความเบื่อหน่ายโลกอ้าวแล้วโลกไปทําอะไรให้เธอเจ็บช้าน้ําใจหรือเธอจึงคิดเบื่อหน่ายโลกหาไม่ได้ครับตรงกันข้ามโลกได้ให้ความอภิรมุขทุกอย่างแก่กระผมตระกูลของกระผมล่ํารวย กระผมเป็นบุตรคนเดียวของพ่อแม่ที่ตามใจทุกอย่างกระผมได้ใช้ชีวิตหาความสุขสำราญจากโลกทุกแง่ทุกมุมมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วในที่สุดก็ไม่เห็นได้สาระอะไรสุขของโลกเป็นสุขที่ไม่บริสุทธิ์เป็นสุขชั่วคราวกระผมได้ทราบความจริงจากพระคุณเจ้านี้เองว่าสุขทางโลกตั้งอยู่บนรากฐานคือความอยาก หรือตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเมื่ออยากก็แสวงหาสิ่งต่างๆมาสนองความอยากหาโาพมาให้ตาชมหาเสียงมาให้หูฟังหากลิ่นมาให้จมูกดมหารสมาให้ลิ้มชิมลองหาสัมผัสมาให้กายถูกต้องหาอารมณ์ต่างๆมาบาเลอจิตใจถ้าหาสิ่งต่างๆมาบาเลอตัณหาได้ ก็รู้สึกเป็นสุขแต่เป็นสุขอยู่เพียงชั่วคราวก็เกิดความเบื่อหน่ายอยากได้อยากมีอยากเป็นในอารมณ์อื่นๆต่อไปอีกแล้วก็ไขว่คว้าหาอีกหาได้มาบมลบมเลอเป็นสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็เบื่อหน่ายอีกหาใหม่อีกเป็นอยู่เช่นนี้ไม่รู้จักจบสิน้นเมื่อพิจารณาโดยแยบขายเห็นความจริงข้อนี้แล้วข้าพเจ้าจึงคิดจะปลดเปื้องตัวเอง ให้พ้นจากความเป็นทาสของตันหาเสียทีดูก่อนมาโนบความคิดของเธอชอบด้วยเหตุผลแล้วคนเราทุกคนต่างตกเป็นทาสของตันหาอย่างไม่ลืมหูลืมตาตันหาเปรียบเสมือนเสือร้ายที่เราเลี้ยงไว้เป็นเสือตัวมหือมาที่มีปากถึงหกปากกินอาหารถึงหกชนิดปากทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ อาหารหกชนิดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ตั้นหาพยักกินอาหารตลอดเวลาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอดุดกองไฟที่ไม่รู้จักอิ่มด้วยเชือ้อดุดมหาสมุทรที่ไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำเราต้องต่อสู้ดินหลนตัวเป็นเกลียวตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเพื่ออาหารหกชนิดมาให้ตั้หากินกินอิ่มแล้ว มันก็สงบนิ่งอยู่ชั่วคราวตอนนี้แหละเราก็จะรู้สึกเป็นสุขบ้างแต่ในไม่ช้ามันก็หิวอีกและบังคับให้เราหาอาหารมาให้มันกินอีกถ้าหาไม่ได้มันก็กัดฟัดเวี่ยงอย่างไม่ปราณีแต่ถึงกระนั้นคนก็หาได้เกลียดชังตันหาไม่ตรงกันข้ามกลับรักตันหาอย่างจับจิตจับใจประดุดว่าตันหานั้นเป็นตนของตน ยอมตนลงเป็นท่าของตันหาด้วยความเต็มใจและรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีฝ่ายตันหาเมื่อเราเอาอกเอาใจมันก็พาเราวิ่งวนไปมาในวัฏฏสงสารอันเต็มไปด้วยเพลิงทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดดูก่อนมโนบพระพุทธเจ้า ได้ทรงพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้และเกิดความสังเวชสลดใจที่ได้ตกเป็นทาสตักใช้ของตันหามานานในที่สุดพระองค์จึงได้ตัดสินพระไทยที่จะปลดปล่อยตัวให้พ้นจากเครื่องพัฒนาการแห่งตันหาดังที่ท่านกําลังคิดอยู่ในขณะนี้ในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงปราบตันหาได้อย่างราบคาบเด็ดขาดทรงประกาศอิสรภาพ ให้แก่พระองค์เองไม่เป็นทาสของตัณหาอีกต่อไปเป็นอิสระเสรีอย่างสมบูรณ์ความอิสระอย่างสมบูรณ์จากกมเล็บของตัณหานี่แหละคือจุดประสงค์อันสูงสุดของนักบวชทุกคนดูก่อนมานพการปลดเปลื้องตนจากตัณหานี้ทําไม่ได้ง่ายๆดังที่เราพูดดอกนะเพราะคุณเข้าใจว่าตัณหานั้นก็คือตัวของเราเอง เลยไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะทำลายตันหาหรือนายผู้ทาลุนและคิดจะทำลายเสียก็ไม่อาจทำตามที่คิดได้ง่ายๆเพราะถูกตันหาต่อต้านอย่างหนักหน่วงจนที่สุดพอพ่ายแพ้กลับไปเป็นท่าของตันหาต่อไปตามเดิมฉะนั้นเราจึงอยากทราบความตั้งใจของเธอเสียก่อนว่าจะตั้งใจจริงแค่ไหนถ้าตั้งใจจะบวชเพียงชั่วคราวเพื่อทดลองดู อย่าบวชเสเลยจะดีกว่าเพราะการบวชคือการเอาตัณหามาขังกลงไว้เพื่อให้มันอดมันจะได้อ่อนกําลังลงเพื่อสะดวกในการทําลายเสียนในเวลาต่อไปถ้าเราขังมันไว้ให้อดเล่นๆ เ, เพียงชั่วคราวไม่ตั้งใจที่จะฆ่ามันจริงๆเมื่อเราปล่อยให้มันเป็นอิสระอีกมันก็จะหันเข้ามาแก้แค้นเราอย่างหนักทีเดียวท่านผู้เจริญ กระผมได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าจะจัดการกับตัณหาอย่างจริงจังขอท่านได้โปรดกรุณาอนุญาตให้กระผมบวช ด, ด้วยเถิดดูก่อนมานพเธอเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจริงในการบวชถ้าได้บวชสมประสงค์คงจะตั้งใจปฏิบัติจริงและถ้าบารมีแก่กล้าพออาจจะได้บรรลุมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งแต่น่าเสียดายเหลือเกิน ที่เธอไม่ได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาเราไม่อาจจะให้กุลบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวชได้เพราะขัดต่อพุทธบัญญัติถ้าเธอประสงค์จะบวชจริงๆจงกลับไปวิงวอนขออนุญาตต่อมารดาบิดาใหม่ ห, หนุ่มกมหน้านิ่งอย่างใช้ความคิดหนักใจท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคงไม่มีหวังได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาเพราะทีท่าท่านห้ามแข่งขันเหลือเกินนอกจากเธอแล้วมีใครอีกบ้างที่พอจะอยู่ครองเรือนปฏิบัติบำลุงมารดาบิดาแทนเธอได้ไม่มีเลยครับท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้น เธอควรระงับความคิดที่จะบวชไว้ก่อนต่อมาเมื่อสิ้นบุญของมารดาบิดาแล้วจึงค่อยบวชที่หลังถ้ายังคิดที่จะบวชในระหว่างนี้ก็จะเป็นการทอดทิ้งมารดาบิดาไว้แต่เดียวดายขาดผู้อุปสมบัมลุงเป็นการกระทําอันไม่สมควรเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อบุตรอย่างสูงเป็นผู้ให้ทรัพย์อันมีค่าสูงสุดแก่ชีวิตและร่างกายแก่บุตร เป็นบุพก า, ารย์ผู้อบรมแนะนําพร่ำสอนบุตรก่อนครูอาจารย์ทั้งหมดเป็นพรหมผู้มีพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตบุตรไม่มีวันเสื่อมถอยฉะนั้นบุตรจึงเป็นนีิมารดาบิดาควรใช้นี่ท่านด้วยการปฏิบัติเลี้ยงดูท่านเป็นต้นข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องบุญคุณ น, นี้เป็นสิ่งที่กระผมสํานึกอยู่เสมอ แต่ก็รู้สึกเสียดายที่จะไม่มีโอกาสได้บวชบําเพ็ญสมณธรรมเพื่อความเป็นอิสระจากนายผู้ทารุณคือตัณหาดูก่อนมานพการบําเพ็ญสมณธรรมไม่ได้ผูกขาดไปสําหรับนักบวชจําพวกเดียวแม้เป็นครุษหัดผู้อยู่คลองเรือนก็อาจปฏิบัติสมณธรรมและบรรลุมรรคผลได้ถ้ามีบารมีแก่กล้าพอเพราะว่ามรรค ไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ตามถ้าตามเขาแต่อยู่ที่ตัวเราทุกคนนั่นเองถ้าเรารู้จริงเห็นแจ้งตัวเราเองแล้วก็จะถึงมรรคผลได้ฉะนั้นขอให้นักศึกษาคนควาตนเองศึกษาได้เห็นว่าตัวเราทั้งส่วนนามและรูปนี้เป็นส่วนผลเปรียบเหมือนผลไม้ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสุกงอมและเน่าเปื่อยไป ตามธรรมชาติของมันเมื่อเนื้อและเปลือกผลไม้เน่าเปื่อยไปแล้วมเมล็ดของมันยังอยู่ภายในมเมล็ดนั้นมีอย่างเหนียวและคุณสมบัติทุกอย่างที่จะเป็นต้นไม้และผละไม้ได้อีกมเมื่อเมล็ดนั้นตกไปอยู่ในภาวะอันเหมาะก็จะงอกงามเป็นต้นไม้และมีผลอีกตัวของเราเปรียบเสมือนผลไม้วิญญาณธาตุเปรียบเหมือนมเมล็ดในผลไม้ ยางเหนียวในเมร็ดเปรตเหมือนตัณห า, ากราบใดตัณหายังมีอยู่คนเราก็ยังจะต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดการเวียนไหวตายเกิดซ้าๆ ซ, ซ, ซ, ซากๆเป็นภาระอันน่าเบื่อนายสำหรับผู้มีปัญญาแต่เป็นสิ่งที่น่าอภิรมสำหรับผู้ที่ยังมืดมัวด้วยอวิชชาข้าแต่ท่านผู้เจริญถึงอย่างไร กระผมก็ยังบวชไม่ได้ขอท่านได้โปรดแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อบรรเทากิเลสแต่กระผมในฐานะที่เป็นครือขัดด้วยวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนไว้แล้วมีวิธีกำจัด ก, กิเลสอยู่สามชั้นคือศีลอันได้แก่การรักษากายวาจาไม่ให้พูดชั่วทำชั่วเพราะการกระทำชั่วพูดชั่วนำความเดือดร้อนมาสู่ตน และทำจิตใจให้เศร้าหมองสีลสสำหรับฆราวาดเรียกว่าเบญแคสีลมีละความชั่วขั้นห้ามไว้ห้าอย่างถ้าปฏิบัติตามได้ครบทั้งห้าก็จะเป็นผู้มีกายและใจอันสงบเยือกเย็นถ้ามีศรัทธาแก่กล้าก็ให้รักษาอุโบสถสีลหรือสีนแปซึ่งมีข้อปฏิบัติสำหรับทำให้เป็นผู้ที่เบาจากกิเลสกังวลต่างๆ และทำให้จิตใจสงบระงับได้ดียิ่งขึ้นเมื่อรักษาศีลได้อย่างเคร่งครัดแล้วพึงปฏิบัติในขั้นที่สองเรียกว่าสมาธิคือหาโอกาสปลีกตัวไปสู่ที่สงัดเงียบแล้วฝึกหัดข่มจิตใจไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านบังคับให้จิตอยู่นิ่งๆหรือให้ยึดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวตอนแรกๆจะทาได้ยากมากเพราะจิตใจไม่ค่อยจะปกติ คิดฟุ่งสซ่านอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยบังคับมันเลยเมื่อมาเริ่มบังคับเป็นครั้งแรกจึงเป็นการยากแต่อย่าถอยพยายามทําบ่อยๆเข้าในที่สุดก็จะเกิดความชํานาญในการบังคับจิตเมื่อเกิดความชํานาญแล้วจิตใจก็จะสงบนิ่งโดยเร็วและจะให้นิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการเมื่อสามารถบังคับจิตให้สงบนิ่งได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ชื่อว่า ได้ปฏิบัติตามขั้นที่สองคือสมาธิได้อย่างสมบูรณ์ต่อจากนั้นพึงเริ่มปฏิบัติในขั้นที่สามคือปัญญาธรรมดาจิตที่สงบย่อมเป็นจิตที่มีกำลังมีความสว่างยิ่งกว่าจิตที่ฟุ้งซ่านถ้าน้อมเอาจิตที่สว่างและมีพลานุภาพนั้นไปพิจารณาศึกษาค้นคว้าในสิ่งใดย่อมจะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งนั้น สามารถที่จะรู้สภาพอันแท้จริงของสิ่งนั้นเมื่อรู้ความจริงอันแท้จริงของสิ่งนั้นความรู้นั้นนั่นแหละจะขับไล่ความโงกเขลาความหลงงมงายความยึดเหนี่ยวติดพันออกไปได้จากจิตใจทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นได้มากบ้างน้อยบ้างตามกาลังการปฏิบัติของเราท่านผู้เจริญคาอธิบายของท่านแจ่มแจ้งดีมาก ทำให้กระผมมองเห็นทางที่จะปฏิบัติได้แล้วแต่ยังสงสัยอยู่ในข้อหนึ่งว่าเมื่อทําสมาธิจนจิตสงบนิ่งดีแล้วควรจะน้อมไปพิจารณาอะไรก่อนดูก่อนมนบท่านแนะให้พิจารณาดูตัวเองก่อนสิ่งอื่นเพราะตัวเราเองนี่แหละคือรูปย่อของสากลจักรวาลถ้ารู้ตัวเองแล้วก็อาจจะรู้สากลจักรวาลด้วย ท่านแนะให้พิจารณาแยกแยะตนเองออกอย่างละเอียดทั้งส่วนร่างกายและจิตใจเมื่อแยกแยะถึงที่สุดแล้วจะเห็นได้ว่าตัวเรานี้ไม่แปลกไปจากต้นไม้ภูเขาและสัตว์ทั้งหลายซึ่งไม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นสิ่งที่ทนได้ยากไม่มีสาระอันยั่งยืนอะไรไม่มีตัวเขาไม่มีตัวเราเป็นแต่วัตถุธาตุ คุ่มกันเข้าเป็นกลุ่มกล้อนชั่วคราวแล้วก็สลายไปเมื่อรู้ความจริงเห็นแจ้งเช่นนี้แล้วคลายความยึดถือที่ว่าตัวเราก็หายไปหมดความสงสัยและในเวลาเดียวกันก็เกิดความเชื่อมั่นในวิธีการที่ตนปฏิบัติไม่ไปหลงงม ง, งายในวิธีปฏิบัติแบบอื่นเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วขั้นก็ชื่อได้ว่าบรรลุถึงซึ่งความเป็นพระอริยะในขั้นแรก จิตใจของท่านได้ตกสู่กระแสแห่งโลกุตตรธรรมแล้วก็จะไหลตรงไปสู่พระนิพพานโดยไม่มีวันหวนกลับมาสู่โลกียวิสัยอันเป็นทะเลทุกข์อีกท่านจะต้องเกิดอีกอย่างมากเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้นต่อจากนั้นก็ถึงอมตะภาพอันไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นสภาพบรมสุขตลอดนิรันดร ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าแม้เป็นครือขัดก็อาจปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกับพระภิสุสงนะสิถูกแล้วเครือขัดก็อาจจะบรรลุมรรคผลได้ถ้าอย่างนั้นการบวชหรือไม่บวชก็มีค่าเท่ากันฉะนั้นจะบวชไปทําไมเป็นฆราวาสไม่ดีกว่าหรือปุรณมานพยง้งข้าพเจ้าจริงตอบเข้าไปว่าเป็นครือขัด แม้จะมีสิทธิ์บรรลุมรรคผลได้ก็จริงแต่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้น้อยกว่านักบวชเพราะคฤือหัดมีภารกิจผูกมัดรัดตัวมากไม่มีเวลาพอที่จะปฏิบัติธรรมได้จริงจังเมื่อปฏิบัติธรรมได้น้อยโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็มีน้อยแต่พระภิสุผู้สละภารกิจทั้งโลกทุกอย่างแล้วตั้งหน้าปฏิบัติธรรมอย่างเดียวย่อมมีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผล มากกว่าและเร็วกว่าการบวชเป็นพิกษุขได้เปรียบในข้อนี้ท่านผู้เจริญข้อนี้แหละทําให้กระผมอยากบวชแต่เมื่อมีความจําเป็นบวชไม่ได้กระผมก็จะพยายามปฏิบัติธรรมทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นครือขันนี่แหละจะได้ผลแค่ไหนก็แล้วแต่บุญบารมีกระผมสนทนากับท่านมานานแล้วจึงขอกราบลากลับบ้านณบัดนี้ ดูก่อนท่านผู้มีอายุละครชีวิตของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลีลาวดีได้ยุติลงพร้อมกับบรณะกรรมของเธอดังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของข้าพเจ้าโดยเฉพาะข้าพเจ้าอยู่ต่อมาในเวรุวนณารามจนกระทั่งถึงปีที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพานจึงเที่ยวระเหได้่่อนต่อไปอีกในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล ตลอดระยะทางอันยืดยาวและตลอดเวลาอันยาวนานที่ข้าพเจ้าท่องเที่ยวไปนั้นได้พบผ่านเหตุการณ์ทั้งดีทั้งร้ายมากมายจนเหลือวิสัยที่จะลำดับจดจําได้เรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าถวายมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เป็นเพียงหนึ่งในสี่ของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งน่าศึกษาและคงไม่มีใครศึกษาได้จนเจียนจบ แต่ถึงจะไม่รู้จบรู้มากๆไว้ก็เป็นการดีสําหรับข้าพเจ้านั้นยิ่งรู้โลกมากเท่าไหร่ความลหลงไหลมัวเมาในโลกก็ยิ่งลดลงจนในที่สุดข้าพเจ้ากลายเป็นคนไม่ติดสถานที่ไม่ติดบุคคลจะอยู่ที่ไหนกับใครเมื่อใดก็ได้ทั้งนั้นจิตใจสบายเท่าๆกันการได้พบผ่านเหตุการณ์ทั้งดีและร้ามากๆทําให้จิตใจของข้าพเจ้า กลายเป็นป้อมอันแข็งแกร่งเมื่อประสบด้านดีไม่ฟุบลงเมื่อประสบด้านล้ายใครจะเอาสมบัติสิ่งของใดๆมาให้ก็เฉยๆใครจะจกจิงเอาปยเสียก็เฉยๆใครจะด่าทอต่อหน้าหรือจะมายกย่องสรรเสริญก็เฉยๆสบายดีเหมือนกันท่านผู้มีอายุเท่าที่พูดมานี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงแล้วจึงมีใจคงที่ก็หาไม่ได้ข้าพเจ้ายังเป็นปุถุชนธรรมดาแต่เพราะเหตุที่ได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆมาจนขินนั่นเองทําให้ข้าพเจ้าปลงตกไม่หวั่นไหวไปตามในชาตินี้ข้าพเจ้าคงหมดหวังในมรรคผลเพราะว่าข้าพเจ้าได้ประกอบกรรมชั่วไว้มากในอดีตทุกครั้งที่จิตใจเริ่มสงบ นิมิตอันชั่วร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นมาทำลายสมาธิของข้าพเจ้าเสียแม้จะพยายามขับไล่อย่างไรก็ไม่สาเร็จนี่เป็นกาแพงชั้นหนึ่งที่ขัดขวางทางก้าวหน้าในธรรมของข้าพเจ้ากาแพงอีกชั้นหนึ่งก็คือลีลาวดีแม้เธอจะตายไปแล้วนานเท่าไรก็ตามข้าพเจ้าก็ไม่อาจลืมเธอได้เธอยังสถิต อยู่คู่ใจของข้าพเจ้าตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่ประหลาดที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบเหตุผลแต่เอาเถอะท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าถือว่าตนยังมีกรรมก็จะขอก้มหน้ารับกรรมต่อไปข้าพเจ้าขอจบเรื่องของข้าพเจ้าเพียงนี้ก่อนคราวหน้าเมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าจะนํามาเล่าสู่กันฟังอีกหากว่าท่านผู้มีอายุ ได้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระบรมศาสดาจากการเล่าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เชื่อว่าข้าพเจ้าได้ทําบุญกุศลแล้วและก็ขอให้บุญกุศลทั้งหมดนั้นจงได้เกิดแก่ลีลาวดีแม้ว่าเธอจะสิงสถิตยอยู่ในภพใดก็ตามจงรับทราบความปรารถนาดีของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทนาแล้วได้เสวยสุขตามสมควร แก่คติพบนั้นเทินชีวิต คือการเดินทางอันยาวนานไปสู่จุดหมายคือความตายและความไม่ตายสําหรับจุดหมายคือความตายนั้นเป็นจุดหมายโดยธรรมชาติที่ทุกชีวิตจะต้องเดินไปถึงอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงผ่อนปรนมนุษย์ในโลกอาจจะแตกต่างกันโดยผิวกายภาษาศาสน า, าปัญญาอุปนิสัยฐานะอย่างขาวกับดํา แทุกๆคนจะมีจุดนัดพบในวันสุดท้ายอันเดียวกันคือความตายชีวิตของเราแต่ละคนก้าวไปอย่างเชื่องช้าแต่แน่นอนบนเส้นทางแห่งชีวิตเพื่อพบกับมัจจุราชผู้ไม่เคยผิดนัดกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายกับมดเล็กๆซึ่งไต่อยู่บนพื้นดินหรือกับจอมจกักรพรรดิผู้เปลี่ยงไกรมัจจุราช กำลังแอบซุ่มอยู่ข้างขๆทางแห่งชีวิตของเราทุกคนของสัตว์ทุกตัวนจุดใดจุดหนึ่งข้างหน้าซึ่งไม่มีใครทราบแต่จะต้องพบอย่างแน่นอนนี่คือจุดหมายประการหนึ่งของชีวิตจุดหมาอีกประการหนึ่งคือความไม่ตายชีวิตร่างกายเป็นรูปธรรมซึ่งจะต้องแตกสลายไปตามธรรมชาติตามกาลเวลาไม่มีรูปธรรม ใ, ใด ที่ไม่รู้จักตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ตายจะต้องไม่ใช่รูปธรรมแต่จะต้องเป็นนามธรรมที่มัจจุราชยังไม่พบตัวมนุษย์เราแตกจากสัตว์ในข้อที่สามารถสร้างคุณธรรมอันเป็นอมตะฝากไว้กับโลกยอดของคุณธรรมที่มัจจุราชเอื้อไม่ถึงก็คือการเสียสละสุขส่วนตัวบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น การสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองนั้นแม้จะประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่สเพียงใดก็ยังอยู่ในอุ้งหัดของมัจจุราชยังเป็นการเห็นแก่ตัวยังเกี่ยวเนื่องด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมขอให้เราหวนคึงถึงจั ก, กรพรรดิผู้ยิ่งยงในประวัติศาสตร์โลกสักสองสมองค์ผู้สามารถปรับโลกส่วนใหญ่ไว้ในกำมือ ผู้เจริญด้วยยศทรัพย์อำนาจและบริวารไม่มีใครเทียบเท่าเราอาจจะเกิดความรู้สึกยกย่องชมเชยอัศจรรย์ใจต่อผลสำเร็จส่วนตัวของเขาแต่ในขณนะเดียวกันในส่วนลึกแห่งหัวใจเราอาจจะเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขยะแขยงหรืออาจจะถึงกับเกลียดเพราะฉะนั้นโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่ยศไม่ใช่อำนาจ ไม่ใช่บริวารไม่ใช่ความฉลาดเลิศของมนุษย์ดอกที่ทําให้เราเคารวบบูชาเขาแต่เราเคารพ บ, บูชาคุณธรรมความดีที่เขามีอยู่ในตัวและบําเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นต่างหากคนเช่นนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นชาติไหนภาษาอะไรยากจนหรือมั่งมีแค่ไหนเราก็เคารวบนับถือเขาด้วยความสนิทใจความดีและการทําดีแก่ผู้อื่นย่อมอยู่สูง เหนือระดับชาติระดับศาสนาระดับฐานะทางสังคมและระดับทางรูปธรรมใดๆทั้งสิน้นพระเรวัตเถระเป็นผู้เห็นคุณค่าของความดีและคุณค่าของการกระทำความดีแก่ผู้อื่นโดยถือเอาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างจึงได้ออกตะเวนโรคอีกในลีลาวดีภาคสองนี้ แม้จะเป็นการตรวเวีนโรคในระยะสั้นท่านก็ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นตามสมควรแก่ภาวะและฐานะของบรรพชิตงานส่วนใหญ่ของท่านก็คงเป็นแบบเดียวกับงานในลีลาวดีภาคตน้นนั่นก็คือการถือดวงประทีปอันเรืองรองส่องจิตใจอันมืดมนด้วยอวิชาของประชาชนในภาระตะวัต ซึ่งติดอยู่ในตาข่ายอันเดียวแน่นแห่งทิตฐิและขนบรรมเนียมประเพณีอันตั้งอยู่บนพื้นฐานคือโมหะงานอันสำคัญยิ่งของท่านเรวตัตตในดิลาวดีภาคสองนี้ก็คือการช่วยมคขรัฐให้พ้นจากความพินาศอันเป็นผลสืบเรื่องมาจากพระเทวทัตและพระเจ้าอาชาสัตรูท่านผู้ฟังที่ปรารถนาความรักอันหวานชำ่ำด้วยความเศร้า ชนิดบีบหัวใจอย่างในดีลวดีภาคหนึ่งอาจจะหาไม่พบในภาคที่สองนี้เพราะพระเลวตะได้พ้นการผ่านไหวแห่งอารมณ์มาอยู่ในวัยแห่งเหตุผลแล้วเพราะฉะนั้นในภาคสองนี้ท่านจะได้พบก็แต่เรื่องของคนอื่นซึ่งพระเลวะตะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในฐานะเป็นบุคคลที่สามเท่านั้นส่วนเหตุการณ์เรื่องราวอันน่าสนใจ ในภรตวัตและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆด้วยธรรมะของพระเรวตะท่านจะพบได้ในทุกบทแห่งดีลาวดีภาคสองนี้ข้าพเจ้าหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ความรู้ความบันเทิงและลดพระธรรมจากรีลาวดีภาคสองนี้ไม่น้อยไปกว่าภาคแรกเพื่อให้ลดพระธรรมอันชุ่มเย็นได้หลั่งไหลไปบรรเทาความรุ่มร้อน ด้วยเพิงกิเลสในหัวใจของมนุษย์ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าจึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามเรื่องราวของลีลาวดีได้ต่อไป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 จะเป็นลางบอกว่าเหตุร้ายกำลังจะเกิดขึ้นพระสุริยเทพกลาดแสงอันร้อนแรงลงสู่โลกดุจจะเผาชมพูทวีปให้ไม่เป็นจุนวิจุนไปก็ปานกันไว้ไผในบริเวณพระอารามที่เคยเขียวกระจีได้กลายเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นลงสู่พื้นปิดยสา ย, สายเมื่อถูกบ่งชวยพัดโรคชาติชนิดอื่น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 แต่ในวันอุโบสถวัน8ค่ำ15ห้ค่ำพระเวรุวันก็ยังคงคึกคักเกลื่อนกล่นไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาที่มารักษาศีลและฝั่งพระธรรมเทศนาแม้องค์พระราชาทิบปดีพิมพิสารก็ยังเสด็จมาตรวจตราพระอารามและสนทนากับข้าพเจ้าเป็นครั้งคราว